เวลาที่เราฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิวิปัสสนาเนี่ยในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติอย่างมีรูปแบบที่ท่้ฟังหลายๆท่านก็มีการฝึกปฏิบัติกันมาอยู่อย่างดีนะเช่นว่ า, เ, าเข้าลุกขึ้นมาตอนเช้าแต่ยังไม่ทันจะลุกออกจากเตียงก็นั่งคู่ขาขึ้นมาสะกกันนั้นหลับต า, าทาจิตให้เป็นสมาธิสังเกตลมหายใจหรือว่ามีการพิจารณากาย หรือในบางครั้งเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นที่วัดนี้หรือว่าแม้แต่ทำที่บ้านก็ตามอยู่ในห้องพระสวดมนต์เสร็จแล้วอนั่งสมาธิซะหน่อยหนึ่งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยสภาวะจิตของแต่ละคนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ต่างๆนานาแต่บางคนจจะมีความคิดเออเป็นลักษณะที่ว่าคิดฟุ้งชั่นบ้างคิดในเรื่องราวที่ ไม่ดีเป็นในทางการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ความคิดลักษณะนั้นก็มีถ้ามีความคิดลักษณะนั้นเกิดขึ้นเราต้องลกต้องเฉาะมันออกต้องเลิกนะอย่าไปคิดความคิดประเภทนั้นโนะดยการที่จกำกัดเจ่าอากุศลออกไปแต่ความคิดบางอย่างก็เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่มีความพยาบาทเจือปนไม่มีเ ป, เป็นลักษณะของการเบียดเพียนเป็นความคิดที่มีได้ ความคิดที่มีไดนะ้มันก็แสดงถึงความที่จิตนั้นห่างจากอกุศลธรรมออกมาจิตที่ห่างจากอกุศลธรรมออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาธิระดับหนึ่งนะคือไม่มีเรื่องชั่วๆความคิดไม่ดีความคิดในการที่จะไปพยาบาทนะคิดพยาบาทแม้แต่คนที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีหลักความคิดนั้นถ้าไม่มีความคิดเหล่านี้จิตใจของเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นสมาธิ ทีนี้การมีความคิดในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบามเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีในระดับหนึ่งนะดีในระดับหนึ่งที่ดีขึ้นไปอีกก็คือเป็นสมาธิชนิดที่ไม่ต้องมีความคิดไม่ต้องมีความคิดแบบนิ่ ง, ง, ง, งๆกลางๆไปเฉยเทีนี้พอคนที่มีสมาธิลักษณะที่ว่าเป็นนิ่งๆกลางๆไปเฉยเก็อาจจะมีความสงสัยมีความเข้าใจเป็นลักษณะว่าเอ้เราไม่ได้พิจารณาหรือเปล่า เรามีการคิดวิเคราะห์พิจารณากายพิจารณาอะไรต่างๆนี้หรือไม่ก็ทําให้ตัวเองมีความเข้าใจไปว่าเอ้งั้นฉันต้องไปคิดนะไปคิดไปนั่นนี่เสร็จเอ๊ะมันก็กลับมาเป็นกลางๆเฉยๆอีกก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ว่าไอ้คําว่าสมาธิสมาธิสมาธิเนี่ยคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวความที่จิตมีอารมณ์เดียวนั้นแน่นอนจิตที่เป็น1นึ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังนี่เป็นพุทธพจน์เลยนะจิตที่เป็นหนึ่ง แต่ถ้ามีสิ่ง7สิ่งนี้อยู่แวดล้อมจิตที่เป็น1นึ่งนั้นจิตที่เป็น1นั้นจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิจิตที่เป็นเอกจิตที่เป็น1มีสภาวะเจ็อย่างแวดล้อมมีบริขาร7อย่างแวดล้อ ม, ม, น, ออมนั้นคืออะไรเราก็ไล่ไปตั้งแต่อริยมรรคมีองค์แปดเข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมตตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะาสมาสติเนี่ยแค่เอย่างนี้ แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้ามีองค์ประกอบของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแลนะสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดนั่นเองความคิดในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยกามความคิดในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแสดงว่าสมาธินะ่ะคือสัมมาสมาธิในมีความคิดไดนะ้หรือในบางลักษณะนะสัมมา สังกปะดับไปแต่สัมมาสังกปะดับไปเป็นลันกษณะของฌานที่สมาธิที่สูงขึ้นไปซึ่งฌานสมาธิที่สูงขึ้นไปนั้นไม่ได้มีความคิดแล้วนะไม่ได้มีความคิดแต่สัมมาทิฏฐิก็ไม่ได้หายไปสัมมาทิฏฐิก็ต้องยังคงอยู่เพราะว่าคนที่มาทําสมาธิด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นไปเพื่อสิ่งที่เป็นกุศลธรรม จะเป็นสมาธิธรรมดาหรือเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็เป็นไปเพื่อคูสอนระดับงสิน่นแต่ในทางตรงข้ามความเข้าใจในลักษณะที่ว่าออต้องทําจิตให้เป็นสมาธิฝึกเพื่อที่จะออลักขโมยของเขาฝึกในการที่จะเรียนรู้เดรัจฉานวิชาต้องทําสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ในสมาธิตรงนั้นต่อให้จิตนิ่งก็ตามก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะมีมิจฉาทิฏฐิแฝงอยู่ไอความเป็นสมาธิฐิ หรือความเป็นมิจฉาทิถีเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นความคิดออกมาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นตัวบทเพียงชนะพูดคือคนที่จะคิดอยู่ในใจเนี่ยเหมือนลักษณะว่าพูดอยู่กับตัวเองหรือเห็นคิดเป็นภาพหรือคิดเป็นเสียงหรือคิดเป็นแสงเป็นรูปเป็นอะไรคาคณิตอะไรต่างๆความคิดในลักษณะที่เป็นคําพูดก็มีความคิดในลักษณะที่เป็นรูปภาพต่างๆก็มี ซึ่งสัมมาทิฏฐิเ น, นี่ยมันลึกลงไปกว่านั้นแตแน่นอนเราอาจจะคิดเป็นคําพูดก็ได้คิดเป็นเสียงคิดเป็นภาพได้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิได้แต่ที่ลึกลงไปกว่า น, นั้นนัก็เป็นสัมมาทิฏฐิได้เหมือนกันเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือการที่เห็นอริยสัจสี่เห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งการที่เราจะมีความเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเข้าใจว่าเออสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปนะ ความเข้าใจตรงนี้มันไม่ได้เป็นภาพเนี่ยจะมูฟังมันไม่ได้เป็นคําพูดนะแต่คือจะมาสื่อสารกันให้เข้าใจได้เนี่ยมันก็ต้องพูดออกมาใช่ไหมพูดออกมาว่าเออสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาตรงนี้เป็นสมาธิธนะพูดแล้วให้ฟังทางหูแล้วเข้าใจไปในใจไอ้ความเข้าใจไปในใจนั่นน่ะคือสัมมาทิฐิถนะีซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นคําพูด เพราะจิตเวลาเข้าใจสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งมันไม่ได้ว่าจําเป็นต้องเป็นคําพูดคําพูดก็ได้เหมือนกันแต่เป็นภาพก็ได้เหมือนกันบางคนเห็นใบไม้ร่วงนําใบอ่อนก็ร่วงใบแก่ก็ร่วงก็มีความเข้าใจว่าอ๋อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาความเข้าใจตรงนั้นของเขาเนี่ยเป็นความเข้าใจในใจนะไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องกําหนดเป็นบทเปลี่ยนชนะแต่ถ้าเวลาข้าพเจ้าจะสื่อสารให้ท่านผู้ฟังฟังอ่ะแม้จะบอกเป็นแบะแบๆแๆะแบะแแบะแบแบะ ก็ไม่เข้าใจกันอะ่ะมันก็ต้องพูดเป็นคําพูดพูดเป็นคําพูดก็ต้องมีการสื่อสารเป็นการสื่อสารด้วยคําพูดหูเราได้ยินเสียงปุ๊บเราเข้าใจไปนในใจมันไม่จาเป็นต้องเป็นคําพูดล่ะการกําหนดบทเพียนชนะเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอยู่สําหรับการที่เราจะบอกสอนคนอื่นอันนี้มีความสําคัญในการที่จะกําหนดบทเพียนชนะให้ถูกต้องทีนี้พอเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องทําได้ทําเป็นแล้วเนี่ยเกิเราทําได้แล้วก็ก็ดีแล้ว แต่ถ้าเราจะบอกคนอื่นต่อการกําหนดบทเพลงชนะนี้ก็สําคัญแต่ว่าอาการของจิตมันก็เหมือนกันนะจิตพระพุทธเจาเวลาที่วางลงไปเวลาที่มีจิตใจใสสว่างเป็นลักษณะของสมาธิกับจิตใจของท่านผู้ฟังจิตใจของท่านพระสารีบุตรจิตใจของพระอรันรูปอื่นๆที่ทําสมาธิได้ถึงระดับที่มีความใสสว่างนิ่งแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวแตนะ่เป็นกลางแบบเฉยๆเป็นดูเบกคาบ้างหลายบ้างก็เหมือนกัน เหมือนกันคือสภาวะจิตนั้นเหมือนกันแต่ความชํานาญความเข้มแข็งอาจจะต่างกันบ้างก็แล้วแต่ทักษะในการปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละคนแต่สภาวะจิตเป็นกันเป็นสภาวะเหมือนกันถ้าสมมติท่านพระสารีบุตรหรือพระพุทธเจ้าหรือว่าใครอื่นๆจะอธิบายสภาวะจิตนี้ไหนที่เป็นสภาวะจิตที่ไม่มีคําพูดไม่มีภาพ เ, เ, เป็นกลางๆนิ่งๆจะหยิบออกมาบอกคนอื่นก็ต้องอธิบายเป็นคําพูด ก็ต้องเอาคําพูดมาอธิบายสิ่งที่ไม่ใช่คําพูดแล้วทีนี้อธิบายออกไปเป็นลักษณะคําพูดว่าจิตเป็นอย่างนี้คนฟังก็ฟังไปอ๋อเป็นอย่างนี้ฟังในลักษณะของคําพูดนะใกล้ครวนพิจารณาดูมันก็ค่อยซึมซาบเข้าไปเป็นลักษณะของสิ่งที่ไม่ใช่คําพูดเข้าใจไปนในใจเพราะฉะนั้นในใจที่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนิ่งไปอันนั้นดีแล้วอันนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสมาถะโดยที่ไม่มีวิปััสนีนะมันก็คู่กันไปนั่นแหละ ตอนคิดดูสิถ้าใจเรานิ่งเป็นอารมันเดียวถามว่ามีภาษาไหมมีแน่นอนไหนะคุณผิวหนังคุณเปิดรับความร้อนความหนาวอยู่จมูกคุณหายใจอยู่ไหนะรับรู้ถึงอากาศร้อนบ้างอากาศเย็นบ้างคุณนั่งอยู่เนี่ยคุณมีสัมผัสที่น้ําหนักของตัวเองตกลงไปบนที่นั่งไหนถ้าคุณอยู่ในห้องตอนเช้าๆมีเสียงนกบ้างเสียงไก่บ้างเสียงทุกแกร้องบ้างมีภาษาอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ใจของเรา ไม่ได้เข้าไปรับรู้ตรงนั้นแต่นะใจของเราแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้มีแม้กระทั่งความคิดแต่เสียงมันมีมากระทบหูอยู่สัมผัสมีมากระทบกายอยู่แต่ใจไม่ได้เข้าไปรับรู้ถามว่าสภาวะที่ใจไม่ต้องเข้าไปรับรู้นั่นคือสภาวะที่เป็นลักษณะจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวใช่ไหมเป็นอารมณ์เดียวนี้เราก็คือเพื่อปิดกั้นสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องกวนนะเสียงต่างๆที่มันจะมากวนแต่ใจของเราไม่ต้องไปรับรู้ละเสียงอาจจะมีอยู่ แต่ใจฉันสบายอันนี้คือสภาวะหนึ่งเรียกว่าสมถะทีนี้อีกสภาวะหนึ่งก็คือถ้าเราก็ได้ยินเสียงแต่เสียงก็ได้ยินอยู่แต่ว่ามันแยกกันออกไปแต่มันไม่รู้สึกว่าเสียงนั้นจะจะมากวนเราเราจะไปรับรู้มันก็ได้ว่าเขาจะพูดอะไรหรือเราจะไม่ต้องไปรับรู้ก็ได้แล้วก็เหมือนกับได้ยินเสียงแว่วมาไกลๆลหรือแม้แต่สัมผัสทางกายเราก็รู้สึกอยู่ว่ามันจะหนาวหรือมันจะร้อนแต่ใจของเราก็เฉยๆอยู่นั่นิ่งอยู่ ก็รู้อยู่มันร้อนหรือมันเย็นแล้วแต่สภาพน้ำ hm หนักที่ตกลงของเราบนที่นั่งเราก็รับรู้ถึงถ้าเราต้องการรับรู้เราก็ไปรับรู้สัมผัสนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการรู้เราก็ไม่ต้องการรู้ได้เราก็มารู้อยู่กับลมหายใจนิ่ง ๆ, ๆอยู่ของเราไอแบบเนี้มันคือวิปัสสนาธารมูุฟังมันคือการที่เรามีปัญญานะมีปัญญาในการที่จะสลัดออกจากสิ่งสิ่งนั้นได้คุณจะรู้หรือคุณจะไม่รู้แต่พอคุณเข้าไปรู้แล้วคุณไม่ต้องรู้เหมันก็ได้ คุก็นิ่งนงอยู่เฉยๆก็ได้เนี่ยคือวิปัสสนาชัดเจนเลยแต่ไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นคําพูดไม่ต้องพิจารณาเห็นกายเน่าเปื่อยหรือแยกแยะตัวตนออกมาอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้ไม่ใช่ตัวตนอันนี้เป็นทุกข์คือมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะซึ่งมันไม่ได้ออกมาเป็นคําพูดไม่ได้ออกมาเป็นภาพแต่เป็นความเข้าใจในใจที่เราเลือกได้ว่าเราจะเข้าไปรับรู้มันหรือไม่จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แล้วก็นิ่งอยู่เฉยๆ นี่คือจิตที่มีสมถาวิปัสสนาคู่กันไปนะสมถาวิปัสสนาคู่กันไปในใจโดยที่ไม่ได้มีความคิดเป็นจิตที่เป็นนิ่งเฉยเฉยได้ความนิ่งเฉยเฉยแต่ไม่ได้มีความคิดใดๆมันไม่ใช่ว่าไม่มีวิปัสสนาะหรือว่าจะมีแต่สมถะอย่างเดียวสมถะมันมีแน่วิปัสสนาก็มีด้วยนะเพราะว่าอาการของจิตที่รู้เห็นตามที่เป็นจริงอาการของจิตที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ย ไม่ใช่จําเป็นว่าจะต้องคิดอย่างเดียวไม่ได้จําเป็นที่ต้องมาหยับหยาบถึงขนาดว่าเป็นคําพูดหยาบหยาบถึงว่าเป็นรูปภาพซึ่งความเป็นรูปภาพความเป็นที่เป็นคําพูดเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่มันก็ยังหยาบกว่ายากกว่าที่ไม่ต้องมีคําพูดไม่ต้องเป็นรูปภาพเป็นจิตที่เข้าใจไปอย่ถ้าเราฟังฟังเสียงข้าพเจ้าอยู่อย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจอยู่ความเข้าใจในใจที่เกิดขึ้นความเข้าใจในใจที่เกิดขึ้นในใจจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสียงนะ เรารับพูดทางเสียงอยู่ใช่แต่ความเข้าใจมันอยู่ในใจบางที่เราอาจจะ ก, กําหนดบทเพียนชนะออกมาอธิบายความเข้าใจนี้ไม่เหมือนบทเพียนชนะของก้าพเจ้าก็แน่นอนละ่ะเพราะว่าความเข้าใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการกําหนดบทเพียนชนะที่อธิบายออกมาก็แล้วแต่คนแต่ละท่านแต่ความเข้าใจมันมีอยู่ไหมมีอยู่มันแยกกันสองอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันความเข้าใจที่มีอยู่ในใจที่อยู่อย่างถูกต้องนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิเวลาเราเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้อง เข้าใจดีแล้วเนี่ยมันอยู่ในนั้นนะเพราะมันอยู่ในนั้นแล้วเรามีภาษะใดๆเกิดขึ้นพวกถ้าเป็นภาษาที่ชอบใจแลนะด้วยจิตที่มีสมาธิิเราก็าจะไม่ลุ่มหลงโมเมายึดติดกําหนัดเพลิดเพลินไปในสิ่งนั้นมากเท่าไหร่นะัจะรู้อุบายในการที่จะนําออกนะจากความกําหนัดลุ่มหลงโม ور, มาเพลิดเพลินนั้นนะเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความเข้าใจแล้วแต่ว่า พัดสะนั้นมันหนักมากหรือหนักน้อยมันดึงมากหรือดึงน้อยดึงแรงหรือดึงค่อยแตนะ่จิตที่มีความเข้าใจอยู่อย่างนี้อยู่แล้วก็สามารถสลัดออกได้ล้างออกได้ไม่ติดกันแตนะ่ดูอย่างใบบัวใบบัวบางจุดเนี่ยมันก็เปื้อนน้ําได้นะแต่ใบบัวจุดที่เป็นใบบัวดีๆหรือดอกบัวดีๆมันก็ไม่เปื้อนน้ําแต่น้ํามาโดนมันก็ไม่เปื่อนแต่บางจุดมันก็ยังเปื่อนอยู่บ้างนะพอสลัดสลัดไป แต่ออกมามันก็หายไปก็เหมือนกันจิตที่บางทาีมีความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งบ้างในะระดับที่เบื้องต้นบ้างแต่ความเข้าใจนั้นก็ทําให้จิตนั้นสลัดออกจากภาษาที่มากระทบแต่สลัดออกในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้เลยรับรู้อยู่แต่ว่าเห็นมันตามที่เป็นจริงว่าเอิ่มก็เป็นอย่างนั้นเห็นมันตามที่เป็นจริงนี่ไม่ใช่คิดด้วยนะแต่เห็นตามที่เป็นจริงในลักษณะที่ว่ามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับจิตคือเรารับรู้แล้วก็ เฉยๆไปรับรู้แล้วเฉยๆไปแค่นี้ความเฉยๆะจะเป็นลันกษณะของอุเบกขาก็ได้อาจจะเป็นลันกษณะของสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือการที่จิตมีวิปัสสนาแลการที่จิตมีสัมมาทิฏฐิโดยที่ไมไ่ต้องมีความคิดด้วยแต่แปว่ามันเป็นความเข้าใจที่อยู่ในใจหรือว่าถ้าเจอภาษะที่ไม่น่าพอใจาภาษะที่แบบไม่ชอบล่ะของเหม็นๆหรือคําพูดหยาบๆสิ่งภายนอก ข้างนอกที่เรารับรู้มาเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจพอเรารับรู้มาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่เครียดแค้นมีความพยาบาทมีความขัดเคืองก็ไม่เป็นอย่างนั้นทําไมเพราะว่าจิตมันเข้าใจดีเข้าใจดีว่าเออสิ่งนี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไอความเข้าใจตรงที่ว่าไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีธรรมชาติอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคําพูดนะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเป็นความเข้าใจของจิตที่ข้าพเจ้าต้องอธิบายเป็นคําพูดเพราะมันต้องพูดกันมันต้องสื่อสารกัน จิตที่เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือไม่ยึดติดหมายความว่าไงก็รับรู้แล้วก็เฉยเฉยไปรับรู้แล้วเฉยเฉยไปนะไอ้เฉยเยตรงนั้นล่ะมันมีวิปัสนาอยู่ด้วยมันมีความที่จิตมีความเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วด้วยโดยที่ไม่ได้ว่าต้องเป็นความคิดนะเป็นคําพูดหรือเป็นรูปภาพลักษณะนั้นซึ่งสิ่งที่จะทําให้เราเห็นตรงนี้ได้แน่นอนสัญญาความหมายรู้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเราเรียนหนะมายความว่าถ้าจิตของเรา นิ่งๆไปละเฉยๆไปละสบายละมีสมาธิติอยู่ในใจในะลักษณะที่ไม่ได้เป็นความคิดไม่ได้เป็นคําพูดใดๆเป็นสภาวะของจิตสภาวะหนึ่งที่ว่าพร้อมละเที่มีคุณสมบัติอย่างนี้อยู่มีสมาธิติอยู่ดีละทีนี้ถามว่าอันนี้มันเสื่อมได้ไหมแต่สภาวะที่จิตมีคุณธรรมข้อเนี้อยู่มันเสื่อมได้ไหมตอบให้ได้เลยท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมม า, มาแต่มันต้องรู้อยู่ด้วยใจแล้วว่าอะไรที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรมรมดาอันนั้นต้องเสื่อมได้แน่นอน เพราะสภาวะจิตที่มันเห็นอยู่เป็นอย่างนี้และมีความเห็นอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้ความเข้าใจตรงนี้มันก็เลือนหายไปจากความรับรู้ของจิตได้จิตที่มีสัมมาสมาธิสมาทิฏฐิอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้จึงต้องมีการปรับสมดุลมีการทําความเข้าใจใหม่ทําความเพียนใหม่ให้เข้าใจใหม่ดี๋ยวเราจะเติมสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปในจิตจะเติมรู้สึกว่าจิตฉัน มันเริ่มที่จะไปรับรู้แล้วไม่วางเฉยแล้วมีความกุ่นมัวเกิดขึ้นมีความขี้เกียจขี้ครลานเกิดขึ้นนัคือถ้าเรามีสมาธิที่น้อยเกินไปแน่อนอนจิตมันก็จะเริ่มไปยึดถือมีรับรู้แล้วให้มันเฉยเฉยไม่ได้ฮะรับรู้แล้วมันเริ่มจี๊ดปี๊ดนิดนึงหรือว่ารับรู้แล้วแทนที่จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นเอ้ย ก, กลับไม่ได้เร็วขึ้นนะมันกลับได้ช้า ล, ลงแสดงว่าความความเข้าใจในเรื่องของวิปัสสนาลดน้อยลงหลักเอาเราทาไง ก็เติมสิเติมทําไงถึงจะเติมแล้วก็พิจารณาแต่การพิจารณาให้เห็นธาตุขันธ์อิจตนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงทําไงเรื่อพิจารณาเอาก็ดูกายของเราแต่ดูกายของเราตั้งแต่ผมข น, ล น, นและฟันหนังแต่มีความน่าเกลียดมีความไม่ไม่สะอาดแต่หรือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในต้นไม้ภูเขาแต่เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่มากระทบการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยจำ่งงังเป็นสัญญานะเป็นความหมายรู้ หมายรู้คือความเข้าใจนั่นเองนะว่าพอมีอะไรมากระทบปุ๊บเฮ้ยเราเราเข้าใจเลยเรารับรู้เลยหมายรู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่เทียงอย่างเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นสีแดงเราก็ต้องมีความหมายรู้ว่านี่เป็นสีแดงหรือเวลาที่เขาพูดภาษาใดภาษาหนึ่งออกมาเป็นภาษาอังกฤษพอฟังปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นภาษาอังกฤษถ้าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษถ้าคุณมีความหมายรู้ในภาษาอังกฤษแต่ถ้าคนที่ไม่มีความหมายรู้ในภาษาเกาหลี เขาพูดแรงมางักงักงักงัเอ๊มภาษาอะไรนะเราจะไม่เข้าใจแต่ที่เราให้มีความเข้าใจแต่เข้าใจว่าอ๋อเวลาที่มีสัมบัติอะไรมาเราก็พยายามคิดพิจารณาให้เป็นของไม่เที่ยงตรงที่ความเข้าใจมันจะเข้าไปในใจเป็นการเติมเป็นการเติมสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจแต่ที่มันเข้าไปในใจแล้วเติมเข้าไปเติมเข้าไปมันก็ไม่ได้เป็นลักษณะความคิดละแต่ไม่ได้เป็นลักษณะความหมายหรือว่ามันเป็นอัตโนมติเช่นเดียวกันถ้าสมาธิของเรามันเสื่อมต่อยลง เสืมถอยลงนเสื่อมถอยล ง, นะยลงจิตมันจะให้เป็นสมาสมาธิให้นิ่งนิ่งอยู่มันก็ไม่ได้มันก็จะเริ่มคิดฟุ้งซ่างไปนั่นไปนี่นหนนะคิดอาจจะคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างแต่เนะพราะลักษณะจิตที่มันจะไปก้าวลงในอารมณ์นะแล้วก็ทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวทายัางไงก็เติมไหนะเติมสัมมาสมาธิาธเติมยังไงแล้วนะก็พยายามที่จะกําจัดพวกนิวรณ์นะัหนละสิ่งที่มาเป็นเครื่องกลางกั้นทําจิตให้เป็นสมาธิแตนะ่สังเกตเรามหาใช้นี่ก็เติมได้ทั้ง2 อ, อย่างนะ คือเติมได้ทั้งสมาถะด้วยเติมทั้งสมาธิด้วยเติมทั้งวิปัสนาได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเรามาดูที่ความนิ่งเป็นอรมณ์เดียวของจิตให้จิตนิ่งเป็นอรมณ์เดียวอันนี้ก็เป็นเติมสมาธิในใจของเราให้มันสมดุลแต่ถ้าเรามาเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจบ้างเห็นธาตุบ้างเห็นความไม่เที่ยงของธาตุที่เกิดขึ้นเห็นผัสสะสัมผัสที่มันมีความไม่เที่ยงมันจางคลายไปได้ดับไปได้เห็นลมหายใจที่อาจจะอุ่นบ้างร้อนบ้าง นาทีบ้างสั้นบ้างยาวบ้างเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าเติมวิปัสนาแต่เปนจึงได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่แง่มุมไหนที่ที่เรามองสิ่งที่ขาา้าพเจ้าต้องการจะบอกท่านผู้ฟังที่มีการฝึกปฏิบัติอยูอย่างเป็นประจําอยู่แล้วว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิจิตสงบไปนั่นิ่งเฉยไปอันนั้นดีแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนั้นคือการพิจารณาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่พิจารณาเพราะการพิจารณาแต่ละครั้งแต่ละหน ไม่จําเป็นต้องเป็นความคิดไม่จําเป็นต้องเป็นคําพูดไม่จําเป็นต้องเป็นเห็นภาพแต่มันมีสภาวะที่สมดุลอยู่ในตัวมันเองเป็นคุณสมบัติที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วของจิตแต่ซึ่งจิตที่เป็นอย่างนี้ก็คือมีวิหารธรรมเรียกว่ามีเครื่องอยู่มีที่อยู่แต่มีที่อยู่คือความที่เป็นจิตธรรมดาเฉยๆน่ะว่างๆนั่นก็คือสุญญตาวิหารนั่นอยู่อย่างว่างๆเวลาที่เราไปพักผ่อนอย่างคุณทํางานมาตลอดปี แต่คุาจะหาเวลาสัก2 3วัน4ีหวันช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันหยุดวันไหนอาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือไปพักผ่อนทีต่ต่างจังหวัดอยู่ว่างๆไม่ต้องทําอะไรหรือแม้แต่เสาร์อาทิตย์คุณหยุดงานอย่างเงี้ยคุณทางานมาจันท์ถึงสุขวันเสาร์บางทีก็ทําอจะหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งก็อยู่ว่า ง, างๆเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าดูทีวีมันก็จะไหลไปตามทีวีอีกเอางั้นปิดทีวีซะฟังเพลงก็ได้แต่ฟังเพลงเออเดี๋ยวมันอาจจะไหลไปตามเพลงอีกมันก็ไม่ได้ว่างเท่าไหร่ปิดเพลงซะอยู่เฉยเฉยวางๆ ไอ้ความว่างๆเฉยๆตรงนี้ที่คุณอยู่เนี่ยก็คือสุญญาตาแต่คือความว่างแตอยู่อย่างว่างๆอยู่อย่างว่างๆนี้ก็เป็นการพักผ่อนด้วยการเห็นจริงด้วยเป็นวิปัสสนาอะไรต่างๆสมถะด้วยอยู่ในนี้หมดเรารักษาสมดุลของจิตตรงนี้ให้ได้แต่รักษาสมดุลด้วยบางทีเอ้ความฟุ้งซ่าน ม, มันเกิดอย่างนี้คุณต้องเติมสมถะเอ๊บางทีมันไม่ได้ว่างเลยอันนี้คุณต้องเติมวิปัสสนาหรือบางทีมันเป็นเป็นความขี้เกียจขี้คร้าน อันนี้แสดงว่าสมถรถมากไปลดลงหน่อยหรือบางทีมันเป็นไปพวกความฟุ้งซ่านอ่า น, นี้แสดงว่าวิปัสนามากไปลดลงหน่อยนปะปรับปไปปรับมาอย่างนี้ให้ใจิตเป็นยังไงว่างว่างให้ใจิตเป็นยังไงมีอารมณ์มันเดียวให้ใจิตเป็นยังไงสบายให้ใจิตเป็นยังไงปล่อยวางนะปล่อยวางจากสิ่งที่มากระทบรับรู้แล้วปล่อยวางได้รับรู้แล้ ว, ล ว, ลวนิ่งเฉยได้แล้วเราจะไม่วันไหวไปตามสิ่งต่างๆที่มารอบเลยท่านผู้ฟังเคยดูสารคดีที่เกี่ยวกับ พายุใต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าใจกลางของพายุเนี่ยมันจะนิ่งนิ่งเลยแต่รอบรอบนี่โอ้ยิ่งปั่นป่วนมากความเร็วลม120กิโมตรชั่วโมงร้อิกิโเมตรตอชั่วโมงี้พัดสิ่งต่างๆกระจุยกระจายไปหมดแต่ข้างในนิ่งไม่ไหวติงแต่แน่นอนสิ่งต่างๆรอบตัวเราอาจจะมีเรื่องราวสภาวะต่างๆขึ้นๆลงๆคนนี้ประกาศเรื่องนี้ข้างบ้านทําเสียงอย่างนั้น เดี๋ยวไอติมมาขาย เ, าเดี๋ยวมีเรื่องราวที่การงานโทรศัพท์กริงกร๊งๆของคนข้างบ้านแต่ใจเรานิ่งใจเราสบายรับรู้แล้วเฉยๆรับรู้แล้วเป็นหนึ่งรก็สภาว่าอย่างเงี้ยสิดีจิต น, นี้ดีมากและแน่นอนนะไม่ใช่ว่าจะเกิดจากโมหะนะคือบางคนเนี่ยก็แบบบื้อไปรับรู้แล้วก็ บ, บื้อๆไปอันนั้นเป็นลนักษณะของโมหนะคือไม่เข้าใจด้วยว่า สมถะคืออะไรไม่เข้าใจวิปัสนาคืออะไรไม่เข้าใจสภาวะจิต ต, ตัวเองแต่บือบ้อๆไปงงๆไปอันนั้นไม่ใช่นะแต่ต้องแยกแยะความแตกต่างให้ออกผู้ที่นิ่งๆเฉยๆอยู่นี่คือมีปัญญาเต็มพร้อมเลยในจิตนี้มีปัญญาเต็มพร้อมที่สัสลัดออกได้โดยอัตโนมัติโดยโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเพราะว่าสภาวะจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วถ้าฟังไม่ทันนะท่านผู้ฟังทำความเข้าใจเรื่องนี้สําคัญนะองค์ประกอบที่เราจะได้มาตรงนี้เนี่ยคือกําลังพูดถึงคนที่ มีการฝึกปฏิบัติมาพอสมควรแล้วนะรู้จักการรักษาศีลแล้วนะเคยทำจิตให้เป็นสมาธิได้บ้างนะคุณถึงมาเจอสภาวะที่จิตเป็นนิ่งๆ ก, กลางๆแต่ถ้าคนที่บือบ้อๆงงๆศีลนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะรักษาแตนะ่สมาธิอาจจะไม่เคยได้นะนี่ก็เป็นลักษณะอีกอยันหนึ่งที่แยกกันไปแต่ถ้าจิตเรามีการพื้นฐานที่ทำมาดีพอสมควรลมีการฝึกปฏิบัติมาบ้างไอ้ความนิ่งเฉยตรงนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่มีวิปัสสนาไม่ใช่ว่าจะมีแต่สมาธอย่างเดียวยดี ว, วา่า แต่พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเออเข้าใจสบายว่าของจิตเราว่าเฮ้สมาธิติที่ที่เป็นอย่างนี้ก็มีแต่ไม่ได้เป็นความคิดไม่ได้เป็นเสียงแต่เป็นความเข้าใจที่อยู่ในใจที่เมื่อไหร่มีอะไรมากระทบปุ๊บมันเฉยอยู่ได้วางได้โดยที่ไม่ได้เข้าไปยึดถือทั้งสิ่งที่ชอบโดยที่ไม่ได้เข้าไปขยักแขงเกรดช่างในสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นความที่สบายของจิตแต่เป็นสุญญตาวิหารเป็นความว่างเป็นความดีงามเป็นจิตที่ประพัสศร์บ้างนั่นเด้อ เป็นจิตที่ประพัฒสอนไม่เปื้อนด้วยกิเลส ท, ที่เป็นอคตุกาชรมาเราจะไม่รู้สึกยินดีินร้ายหรือไม่รู้สึกวันไหวไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ทั้งดีก็ตามทั้งไม่ดีก็ตามเอาความนิ่งนี่แหละตะวันัาางเข้าสกดสงบสยบความเคลื่อนไหวจะความนิ่งในใจที่สกดสงบสยบความเคลื่อนไหวความนิ่งในใจตรงนี้ใจนั้นเนี่ยมีทั้งสมถะและวิปัสสนาแน่นอนจิตที่เป็นอรมั์เดียวเนี่ย มีสติเป็นเชือกฉากแน่มีสติเป็นเชือกชากหมายถึงเป็นอธิบดีเป็นคนที่ใหญ่สุดในที่ทำงานและมีสมาธิเป็นหัวหน้าแน่มีปัญญาเป็นแดนเกิดปัญญาคือการทําในใจโดยแยบคายโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเป็นแดนเกิดแน่นอนมีภาษาที่มากระทบนี่แหละเป็นเรื่องก่อให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ใจของเราสงบได้นิ่งได้ใจที่เป็นอย่างนี้ด้วยมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดมีวิมุติเป็นแก่น มีอมาตะเป็นที่อย่างลงมีนิพพานเป็นที่สุดจบให้ใจของเรามีความนิ่งเป็นการเข้าไปสกดสงบสยบความเคลื่อนไหวได้ถ้ายังไม่เข้าใจก็โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฟังให้เต็มชัดๆสองรูหูลุกขึ้นมาฟังหูเนี่ยเขามีสองข้างเพื่อให้กายหนึ่งกายตรงอยู่ได้สมาธาวิปัสสนามีสองอันเพื่อให้จิตนั้นนิ่งอยู่ได้ เย็นอยู่ได้สบายอยู่ได้จิตที่มีสมถาวิปัสสนาสมดุลกันแล้วสองข้างบาลานซ์กันเสมอกันสมดุลกันจิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือความที่จิตเย็นคือนิพพานเฉพาะตนดับเย็นเฉพาะตรงอยู่ตรงนั้นความดับเย็นตรงนี้อาจจะกลับกาเริบก็ได้หรืออาจจะเป็นอยู่อย่างนั้นก็ได้อยู่ที่เรามีความชนานาญไหมทำให้มันถึงจุดที่มันจะไม่กลับกาเริบได้หรือไม่ เราสามารถที่จะค้นพบประสบกับนิพพานเฉพาะตนได้ณที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อเราทําสมถาวิปัสสนาเสมอๆกันแล้วจิตเราเย็นอยู่ได้สบายอยู่ได้นั่นคือจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวแบบนี้มีทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันใจนั้นก็เป็นใจที่นิ่งเฉยวางเฉยแน่ละไอความเฉยตรงที่มีอุเบกขาบ้างความเฉยตรงนี้ มีปีติบ้างความเฉยตรงนี้มีสติบ้างมีสมาธิบ้างมีความสงบระงับบ้างมีความเพียรบ้างมีปีติบ้างมีธรรมวิจยสัมปช ong บ้างโพชง n g จิตก็อยู่ในนี้ทมทั้งสองคือสมถะวิปัสสนาก็เคียงคู่กันไปมาร์กปก็อยู่ตรงนี้อิธิบาทสก็อยู่ตรงนี้พละหก็อยู่ตรงนี้สามัคคีสก็อยู่ตรงนี้ โหที่ปักเหียทำสามสิอยู่ในใจของเราเนี่ยเองมันไม่ได้ยากท่านผู้ฟังมันไม่ได้ยากอยู่ที่ว่าเราพยายามจะทำไหมมันไม่ได้ยากเกินที่เราจะทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเรามีจิตเรามีหูมันทำให้ร่างกายของเราสมดุลตั้งเทียงตั้งมั่นตั้งตรงอยู่ได้ไม่เอียงซ้ายเอ็นขวาเรามีสมถาวิปัสสนาเราก็ทำให้จิตของเราสมดุลอยู่ได้จิตสมดุลกลมกเกลียวกันเป็นหนึ่งนั่นคือมัคคัศม์มังคี นี่คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นจิตประพัสสอนนั่นเองถ้าฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไม่เข้าใจก็เกียนจดหมายมาถามได้ให้ดูที่ใจของเราท่านผู้ฟังใจยังไงมันเข้าใจอยู่แล้วละ่ะธรรมะเข้าใจไปในใจได้ผ่านทางหูผ่านทางภาษาจึงว่ามีภาษาเป็นแดนเกิดเข้าไปในใจแล้วหน่เป็นทํางานตามสายงานมีความเข้าใจเป็นลําดับขั้นไปนั่นก็คือการที่เรามีสติ สูงสุดของตรงนั้นคือปัญญาที่เรามีอยู่ทำให้เรามีความหลุดพ้นคือวิมุตต์เนี่ยวิมุตต์หลุดพ้นจากภาษาเป็นแก่นเป็นแกนกลางแต่เหมือนกับพายุต่างๆที่มีความนิ่งอยู่ตรงกลางของมันแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระพราภัยบุญพี่ปุลโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญพร